بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين و ا ع د و ا ن إلا ع ل ى الظالمين وصلي وسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما سبديت ا ل ع و ر د ي ا ت ي ب ا ي ب ا ل ا ء س ่วน م ع ق ن ك ب ب ي كاتي سبعم ของสุรัตอตาบะซึ่งมีหนื้อหาที่ต่อเนื่องจากต้นสูรที่มีมาตรการหรือระเบียบข้อบังคับของสังคมมุสลิมใหม่ต้องเข้าใจว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่ท่านนาบีสุลล่าจะมาพำนักอยู่ที่มาดีนะการใช้ชีวิตของท่านนาบีและสฮาบะคือมุสลิม ถ้า ช, ชีวิตแบบไม่มีระบบการปกครองถ้าใช้คําง่ายๆก็คือไม่ยังไม่มีรัฐไม่มีรัฐอิสลามเราไม่บางอาจที่จะบอกว่านบะีอยู่ที่มักกะกับสหายในะอยู่แบบเร่ร่อนที่จริงมนุษย์อยู่ในกลุ่มแบบไม่มีระเบียบไม่มีระบบไม่มีกฎเกณฑ์เขาก็เรียกกันเร่ร่อนนะ่ะ มนุษย์ ท, ที่ไม่มีระเบียบกติกาที่ควบคุมชีวิตของเขาเนี่ยก็จะก็จะถูกมองว่าเป็นเป็นเป็นมนุษย์ที่ไม่มีเอ่อไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีแต่ชีวิตของซอฮาบะและท่านอับัุลลอฮะวิสซลัมมีระเบียบมีข้อบังคับมีกติกาเพียงเรื่องเดียวก็คือไม่ได้บังคับคนอื่นใช่ไม่ได้เป็นระเบียบทั่วไปของ ของแผ่นดินและนี่คือข้อแตกต่างของของของคนที่อยู่แบบไม่ไม่มีไม่มีระเบียบอำนาจที่จะบังคับคนอื่นกับคนที่มีอำนาจระเบียบบังคับคนอื่นนี่คือรักไงรักมีมีอำนาจบังคับกฎหมายมุสลิมในรุ่นหลังนี่ก็โชคดีนะที่ท่านนาบีสุลละอลลัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลัลลอฮได้ใช้ชีวิตทั้งในสอง รูปแบบรูปแบบมีรัฐรูปแบบไม่มีรัฐทำไมะเพราะมุสลิมไม่สามารถหาแผ่นดินได้ที่ใช้ระบบการปกครองอิสลามครบถ้วนสมบูรณ์ทุกที่หรือทุกสมยัยบางสมัยนี่อาจจะมีนะแต่มีทุกที่มั้ยทั่วโลก ม, มั้ยไม่กระดังในยุคอาณาจักร คืแล ah e ้วว่าที่ยิ่งใหญ่ที่กว้างขวางที่สุดในโลกตอนที่อาณาจักรอิสลามถือว่าเป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะใหญ่ที่ไม่เคยมีอาณาจักรที่ใหญ่กว่าอิสลามใหญ่มากก็ยังมีแผ่นดินที่มีมุสลิมแต่ไม่ได้ไม่อยู่ภายใต้รัฐอิสลามอุลามาก็ไม่ด้บังคับว่าเออจะต้องทุกคนที่เป็นมุสลิมอยู่ที่ไหนนี่ก็ต้องอพยพมาอยู่ในแผ่นดินที่เป็นมุสลิมที่รัฐ เปล่าเลยและการศาสนาอิสลามนี่ก็ไม่ได้มีข้อบังคับนี้หมายควาไม่ได้มีข้อบังคับว่ามุสลิ ม, มอยู่แผ่นดินที่ไม่มีรัฐอิสลามอยู่ไม่ได้ต้องอพยพอิจราไปอยูอ่แผ่นดินที่มีรัฐอิสลามไม่มีข้อบังคับตรงนี้เลยแล้วเราเคยบอกว่าวิถีชีวิตของของมุสลิมเนี่ยอิสลามได้ตั้งเงื่อนไขไว้ไม่เยอะถ้าสามารถดำรงได้เนี่ย อยู่ที่ไหนก็ได้เรื่องความเชื่อประกอบศาสนกิจประกาศความจริงและศสัจธรรมสามอย่างเชื่อตามที่ตัวเองต้องต้องการเชื่อสองประกอบศาสนกิจตามที่ตัวเองเชื่อสามพูดความจริงและสัจธรรมพูดนะไม่ได้บังคับคนอื่นนะแค่พูดประกาศได้ไม่มีใครห้ามะทำได้สามอย่างนัอยู่ที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ ที่นั่นน่ะเขาเขาฉลองฮัลโลวีนฉลองอยู่ได้อนี้ฮัลโลวีนไปถึงนุ่นน่ะใกล้ใกล้มก ก, นะ ก, กกาแล้วน่ะฉลองฮัลโลวีนใกล้มกกาแล้วก็อยู่ได้ฉลองฮัลโลวีนฉลองเฮโรอีนฉลองปีใหม่ฉลองคริสต์มาสอะไรเนี่ต่อเมื่อไม่มีใครบังคับเราอ่ะก็ไม่ได้บังคับ เราต้องฉลองต้องใส่ชุดผีไปไปฉลองกับเขาเขาไม่ได้บังคับเราเราจะต้อง อ, อีเข้าออกเข้าออกกฎหมายกัญชาเสรีแต่เขาไม่ได้บังคับจะจะบังคับละ่ะบังคับไ ม, ไม่ไม่ดูดกัญชานี่ผิดกฎหมายไม่ดูดกัญชาได้มีโทษอันนั้นต้องหาแผ่นดินอื่นไปอยู่ได้หรออยู่อยู่อยู่ไม่ได้แน่นอะ มีแค่นี้ยังอยู่ไม่ได้แล้วนี่นแค่นี้สายกระท่อมกันทุกซอ ย, อยนเงี้ยก็ยังยังไม่ไหวแล้วเนี่ยแล้วถ้าจะบังคับละ่ะเออนั่นะอยู่ไม่ได้แต่เขาจะทำกันแล้วก็เราก็สามารถพูดว่ากัญชาชมันผิดมันมันไม่ถูกต้องมันมันทำลายมนุษย์มันบาปเราสามารถพูดได้มีเขาปะกุปากุปกเนี่ยถ้าแบบนี้รู้อยู่ได้ และที่นบีต้องการนะนะตอนที่อยู่มักการเนี่ยก็ต้องการเรื่องนี้พอไม่ได้เนี่ยชาวมักการไม่ให้ก็เลยขับไล่ท่านนบีสลลแล้วสลับนบีอยู่ไม่ได้แค่อยู่มักการนี่พูดกับคนนี้ก็ไม่ได้พูดกับคนนู่นก็ไม่ได้พูดแจริมานก็ไม่ได้อาจานอาจาน์ไม่มีนะมักการนี่อาจาร์ม่มีนะอาจารไม่ได้เห็นอุลามาบางท่านทศนะของอุลามาบางท่านบอกว่าที่ไหน สามารถประกาศอาญาได้ที่นั่นนะคือแผ่นดินอิสลามขนาดนั้นนะแล้วเขาอ้างหลักฐานว่าท่านนาบีโซม่าอัลเลสลัมหลังจากที่ได้พิชิตมะกาแล้วเนี่ยท่านนาบีก็ไปตะเวนพื้นที่ต่างๆได้ยินเสียงอาญาเนี่ยแสดงว่ามีคือแน่นอนแผ่นดินอาหรับตอนนั้นน่ะมุสลิมไม่ได้ปกครองทั้งแผ่นดินไงจะมีมุสลิมอยู่บางพื้นที่ในพื้นทีบน่บางพื้นที่อะไรบิถ้าได้ยินมุสลิมที่นั่นน่ะ มีไม่กี่คนแต่เขาประกาศอาซานนะนะท่านบดุลเาก็จะไม่ไม่รบกับกลุ่มนั้นเลยอลุลามก็ว่านี่แสดงว่าแค่ประกาศอาซานนี่มันคือเสรีภาพที่ทําให้มุสลิมเนี่ยอยู่ในแผ่นดินนั้นได้พื้นที่นั้นอยู่ได้ในการวางระเบียบกติกาใหม่สุลต่านบ้านเนี่ยให้แผ่นดินคาบสมุทรอาหรับเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงมีระเบียบใหม่เหมือนเป็น เป็นเป็นระเบียบกฎเข้าเมืองอะไรอะไรทำนองเนี้อย่างที่เคยอธิบายก็หนึ่งในนั้นนะก็คือคนที่บิดพิ้วสัญญากับท่านนบีล ل ى ا และประกาศตัวเป็นปรปักเป็นศัตรูเป็นคนที่ไม่หวังดีเป็นคนที่ไม่ไม่เห็นด้วยและเคยมีประวัติในการ เคนฆ่าสังหารมุสลิมแล้วต่อสู้กับกับท่านนาบีและสหาบ้านีอ่อันนี้ท่านนาบีก็เลยประกาศไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีสัญญาสันติภาพกับกับคนเหล่านี้แล้วด้วยเหตุผลว่าประวัติของเขาไม่อำนวยที่จะให้เราอยู่ด้วยกันอย่างสันติและนี่คือ เหตุผลที่อายะ13สิบามและอายะก่อนนั้นนี่ก็พยายามที่จะเรียกล่อมให้มุสลิมที่ยังไม่เข้าใจยังไม่คิดว่าเออเราจะประกาศสงคมกับทุกคนได้ไงเเดี๋ยวเยไปไล่ดูประวัติของเขาเนี่ยเาเคยเขาเคยเห็นข้าพวกเจ้าใช่ไหมเาเคยขับไล่นบีออกจากมักกาใช่ไหมละตุกาติลูนก้กวมันนักสุไอมานะฮ พวกเจ้าจะไม่ต่อสู้กันนั้นหรือซึ่งกลุ่มชนที่ทําลายคํา ม, มั่นสัญญาของพวกเขาวะฮั ม, มบีอัคราจุลรัสูลและมุขขบไลรัสูลให้ออกไปออกไปจากมักกะวะฮุมบัดอุคุมอวยและมอร์ ท, ท, ทั้งทั้งที่พวกเขาได้เริ่มปฏิบัติแก่พวกเจ้าก่อนเริ่มเริ่มปฏิบัติปฏิบัติความเป็นปรับักความเป็นปฏิบัติ นบีสหายบ้านี่ตั้งแต่เริ่มไม่ม ป, ประกาศเป็นศัตรูก็แค่เผยแพร่สิ่งที่เ็เชื่อว่าอันนี้เอาไหมเอาใครที่ไม่เอาก็ไปเป็นไรกันแล้วแต่ท่านใครไม่เอาเนี่จะเป็นศัตรูกับเปล่าเลยแล้วใครที่เริ่มแหละก็คือชาวกูรชนี่แหละชาวมักกานี่แหละเริ่มประกาศว่าท่านนบีเป็นศัตรูถึงขนาดที่ นบีที่เป็นญาติพี่น้องแท้ๆเป็นลูกหลานเขาแท้ๆนี่ใครมาจากต่างถิ่นเนี่ยเข้ามามั้กะและท่านนบีสุลต่านละห์อะลัยฮุสเซลัมตั้งใจที่จะไปดาว่าเขาเนี่ยเขาก็จะประกาศอย่าไปเชื่อคนนี้นะคนนี้เป็นคนบ้าเนียคนนี้เป็นนักเสาสตร์คนนี้เป็นคนที่สร้างความแตกแยกคนนี้เป็นศัตรูของเราคนนี้นี่อหุมบาดะอูคุมอัววะละมระเขานี่เป็นคนเริ่มความเป็นศัตรูเนี่ย เอาวะละมั่งรเป็นครังแรกอัตชเอานฮุมพวกเจ้ากลัวพวกเขากันนั้นหรือพวกพวกเจ้านี่กลัวศัตรูหรือฝั่งละฮุอะฮักกุอันดัชเชวูอินกุนตุมุมินีนอัลลอฮ์ตังหากเล่าคือผู้ที่สมควรอะฮักกุสมควรอันดัชเชวแก่การที่พวกเจ้าจะกลัวเตรยมเกรง อิ่มกุณนตุมมุมินีหาพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธาแสดงว่าอันนี้จุดนี้ที่เราไม่ได้อธิบายจริี่แล้วนะครับแสดงว่าความศรัทธาคนที่ศรัทธาต่อเนี่ยต้องมีความหวาดกลัวมีความวันเกรงยำเกรงต่อ Allah s taala เรียกว า, า, วา at. ข้อเสียข้อเสียาเชาอะดขเนา ข้อ30ข้อ31ข้อ32ข้อ33ข้อ34ข้อ35ข้อ36ข้อ37ข้อ38ข้อ39ข้อ4ีข้อ41ข้อ42ข้อก3ข้อ44ข้อ45ข้อ46ข้อ47ข้อม8ข้อ49ข้อ5 ผู้รู้ต่างหากผู้รู้ตรงนี้นี่ไม่ใช่หมายถึงว่าต้องเป็นปรมอาจาร์นะไหมหมายถึงว่าผู้ที่มีความรู้ผู้ที่มีความรู้ถึงแม้ว่าความรู้นั้นน้อยกระามนะแต่ถ้าหากว่าความรู้นี่มันนํามาซึ่งความเยี่เกรงตลอดนี่แสดงว่านี่นี่คือความรู้ที่มีที่ที่ยังประโยชน์ความรู้ที่ไม่ไม่ทำให้มีตะว่าไม่ทําให้มีความเยีมเกรงตลอดสุภาพนาวะตาลาไม่มีประโยชน์ มาอัลฮัมดุบะกวายอินนามะ العلم الخشية ความรู้ที่แท้จริงความรู้ที่ทำให้เราได้ยมเกรียดขวัญวันกลัวต่อ Allah سبحانه และ تعالى เป็นหน้าที่ของของผู้ศรัทธาทุกคนที่จะต้องตรวจสอบเรื่องนี้ในหัวใจของเขาเสมอๆไปทั้งนั้นที่เป็นเรื่องที่เราแอบอ้างโอ้วดกับบุก ผู้อื่นเสมอเรื่องนี้เรื่องความกลัวนะมีปัญหาอะไรกูไม่กลัวใครทำไมคานี้เนี่ยมั น, ม, นมันใช้กันเยอะกูไม่กลัวใครไม่กลัวใครชาวบ้านเวลาทะเลาะ ก, กันเออดูเรียกตำรวจเลยโงก่ ก, ไ ก, กนนะูไม่กลัวเจ้าหน้าที่ด้วยกันน่ะนะเฮ้ยไม่กลัวเจ้านายกูไม่กลัวใครทำไมคนเขาชอบแอบอ้างเรื่องนี้ล่ะ แทงนั่งดิขอที่จริงเนี่ยเราอะขี้กลัวเราขีกลัวไอ้คนที่ชอบพูดว่ากูไม่กลัวใครอะ น, นั่นน่ะกลัวเมียคนแรกเลยอย่างน้อยอ่ะกลัวเมียไอ้ผู้หญิงที่ชอบอ้วนหนูไม่กลัวใครหมายแรงสาบตัวเดียวเน่ยมกระโดดหน้าต่างเลยนั่นน่ะไม่กลัวเหรอหนูตัวหนึ่งมากระโดดกระจุยเลยไม่เหลือเลยอันนั้นไม่กลัวเหรอ จริงมันนู้นี่ขี้กลัวนะกลัวมากเลยนี่สมมุติว่ามีได้ยินเสียงสิงโตมาอย่างเงี้ยสมมุตินะ่ะกลัวไหมตัวจริงเ่รไม่ใช่ไม่ใช่คนหลอกกันนะเป็นตัวจริงนะสมมตินี่มาบุกมานี่นเห็นหน้าเลยสิงโตกลัวมเรียกว่ า, าดูน่ารักกันนะอล้นี้คลิปที่เราดูนี่มีตะกอดสิงโตจูบอะไรงี้ อันนั้นอันน้นไม่ใช่นะสิงโตนี่ทัตมันกินนะเจอคนนี่กินคนเลยนะ่ะก็กลวัวแต่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ความกลัวตรงนี้ความกลัวที่มันเกิดจากธรรมชาติมีเหตุมีผลอันนี้เนี่ยไม่ใช่ความกลัวไม่ใช่ความกลัวที่หน้าตำหนิกลัวงูกลัวตะขาหมูเงี้ยเฮ้ หรือแม้กระทั่งคนที่กลัวเมียไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าตำหนิเลยเลยนะเรื่องอะไรที่มันมีเหตุผลอ่ไงเงี้ยนะแต่เราไม่รู้สึกอะไรเลยนะถ้าข้อที่จริงเนี่ยถ้าเราตรวจสอบเออเราไม่กลัวลอเลยเราไม่กลัวนรกของอัลลอฮ์เลเราไม่กลัวที่จะถูกกีดกันไม่เข้าสวรรค์เลยซึ่งเรื่องนี้น่ากลัวที่สุด น่ากลัวที่สุดเรากลัวเจ้านายหักเงินเดือนเรากลัวคนที่จ้างเราเดี๋ยวเขาจะหักค่าตอบแทนบางทีเราก็กลัวสถานการณ์สมมติเราเป็นคนทามาหากินต้องขายตามตลาดนัดกลัวคนที่ขายตลาดนี่กลัวอะไร อฮะกวฝนีแสดงว่านนนคนที่ขายตามตลาดนั่นเนี่ยไม่กลัวเจ้าหน้าที่ไม่กลัวเจ้าหน้าที่มาไม่กลัวเออคนน้อยก็ไม่กลัวเพราะบางทีเนี่ยมีคนเนี่ยนี่มาเนี่เหมาของนี่มะเหมากลับบ้านเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหยุด ทั้งวันเขาหางนี้จริ ง, รงๆเหรคนที่ขายตลาดน่ะแต่แตกลัวเรื่องเดียวเพราะถ้าฝนตกแล้ว <c oughs> กลับบ้า <c oughs> เสียเที่ยวเลยเราคนนี้รัวกลัวฝนเรากลัวน้ําท่วมน้ำเหมือนที่เป็นมิตรกับเราอนะ่ะนี่ยน้ำมาชีวิตของเราอนะ่ะนี่ยแต่พอมันเยอะเกินไปเนะี่ยเราก็กลัวมันนะแต่เรามาตรวจสอบนี่ว่าทุกววันเนี่ยทุกกรณีกิบทุก เวลานี่ทุกการกระทำที่เราทำเนี่ยเรานึกถึงว่าสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราตั้งใจมันเป็นข้อห้ามที่พระเจ้าห้ามไหมแล้วเราทำเนี่ยเราท้าทายต่ออัลลอฮ์เราไม่กลัวอัลลอ์ไม่กลัวการลงโทษอัลลอ์บางทีมันไม่ได้เป็นการลั่นวาจาว่ากูไม่กลัวอัลลอ์เน่มันไม่มีใครคงไม่มีใครพูดหรอก แต่โดยนิตินัเนี่ยมันฟ้องมันฟ้องเช่นดื่มเหล้ากันหน้าสุเราเฮ้ยเฮ้ยทําอะไรอ่ทะทำไมอันเนี้ยท่าท่าแล้วทําไมหมายถึงดื่มหน้าสุราแล้วทําไมอันนี้เอาเรื่องสุเราจะได้เป็นไม่ต้องว่าคนอื่นนะนะไม่ต้องว่าเอาว่ามุสลิมเรานี่แหละดื่มน้ําท่อมดูดกัญชา ในชุมชนมุสลิมผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาเดินผ่านไปผ่านมาหรือคนเขาเดินไปสู่เหล่ากรรมมาจากสู่เหล่านี้ก็ตั้งวงเล่าหรือวงกระท่อมกัญชาเฮ้ย hey, ทำทายชมทไมทำไมนี่ฮแย่แย yeah. yeah. กว่าอกกีกุมหนึ่งกุมหนึ่งอะนะอัลลอฮ์ทำนี้ในคุรานแล้วก็บอกนี้เนี่ยมีลักษณะความเป็นมุนาฟิกอะ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. هو منافقني. خدم سبسبا ها و ا س ب س ب ن بزوج ز ا ب ن ا ما هي كائن. الله بقول. هؤلاء يستخفون من الناس. خدم أب ت م ل ب ل ب ا الناس ما هي people. يديهن. ولا يستخفون من الله. แต่ไม่รู้สึกแอบทําทั้งที่อัลลอฮ์นี่ทรงรู้ทรงมองเห็นสิ่งที่เขาทำอัลลอฮ์ตาหนิก็คือคนที่ไม่กลัวอัลลอฮ์แต่กลัวคนแค่นี้กระดอนตําหนีแล้วไม่กลัวอัลลอฮ์แต่กลัวคนกลัวคนนะและคนนี่อัลลอฮ์ก ah. ็ไม ah. ่กลัวคนก็ไม่เกรงแบบไหนเนี่ย้ทําทไมอ ม, มีไหมล่ะเขาไม่ได้พูดด้วยวาจาว่ะ เขาไม่กลัวหรอแต่โดยพฤตินัยนี่มันฟ้องซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันอาจกระทบอีมานของเขาอย่างสิ้นเชิงก็ได<ม>้ฝังงฮาอ่าหักกวนเชาฮูอิงคุณทุมุนถ้าพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธาจริงๆนะสมควรที่จะกลัวรอกสมควรย่างยิ่งที่จะก Allah. ล, ลัวหรอลเ l า a h สรรเสริญผ <c oughs> ู้ศรัทธา เวลาถูกเชิญช่วนในทําความผิดทําบาปทําความชั่วให้เขาคําตอบของเขาเนี่ยอินเนาะข้อฟูอินอาไซตุรบบีอาดับเยาวมีนาดิมถูกเชิญช่วน่ะป่ะไปไปไปไปไเที่ยวงคืนป่ะไปกินเหล้าไปไปเสพสิ่งเสพติดไปโสบุรีไปอะไร อินีข้อฝุ่น่อไทรตข้าพระเจ้ากลัวอินทรไทรตรบีฝ่าฝืนคำสั่งสั่งคำสั่งสอนของพระเจ้าของฉันนี่อา้าบอกลัวการลงโทษอันใหญ่หลวงกลัวงทีนี่เด็กๆนี่ชวนไปทำทำบาปทำผิดไม่ากูไม่ไปทำอย่างกลัวปาป่ารูดด้ดปาาา่า่กลัวมาก มีเหมือนกันนะพาคนนู้นคนนี้เฮ้ยไปดูแมวกลัวกลัวเมียมีอันนี้ทั้งหมดนีไม่ไม่ผิดเลยนะอย่างที่บอกว่าไม่ผิดนะแต่เราทําแบบนี้กับคนน่ะกลัวคนที่เป็นคนนะนะว่ามันไม่ผิบอกแล้วมันไม่ผิดนะคือถ้ามันมีเหตุมีผลมีอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความกลัวที่เป็นอิบาดะเพราะพอความกลัวนี่มันเป็นความรู้สึกชนิดอิบาดะ ไม่ใช่ความรู้สึกชนิดธรรมชาติเงี้ยกลัวกลัวงูกลัวสิงโตกลัวสัตว์ดุอะไรเงี้ยนี่นนธรรมชาติเช่นเดียวกันคนที่เรารู้สึกว่าเขาจะก่อทําร้ายกับเราได้นี่อันนี้ก็กลัวธรรมชาติกลัวกลัวเจ้านายจะหักเงินเดือนเราก็มาเป๊ะเป๊เป๊ะเป๊ะไม่ผิดอันนี้ไม่ผิดแต่มันน่าตําหนิเหลือเกินเจ้านายนี่ไม่ได้มีริสกีอยู่ในมือเจ้านายนะ เงินเดือนนี่ก็เป็นริสกีที่มาจากอัลลอฮ์ทั้งนั้นน่ะแต่พออัลลอฮ์เรียกมาละมาไม่เป๊ะแต่พอเจ้านายเรียกมาทํางานเป๊ะตอนนี้ก็เออสองมาตรฐานแบบเนี้เนี่ยน้าทำนี่คือแต่เป๊ะตรง น, นี้นะก็มนุษย์จะไม่มีใครว่าหรอกมันไม่บิดหรอกก็มันมีเหตุผลและสมควรแล้วไงถ้าไม่มาเป๊ะๆเนี่เยเราหักเงินเดือนเอาแล้วริสกีชีวิตของเรานี่ใครให้มาเนี่ยอัลลอฮ์ริสกีทั้งหมดเนี่ย ต้นตอของมันนี่มาจากไหนก็มาจากอัลลอฮ์เราไม่แคร์เลยนี่กระทบกระทบ إ ي م า ن อิ่งคุนตุมมุมินีนที่จริงอุลามาได้บอกว่าอายะต์และอายะนี่ที่อัลลอฮ์สุบฮานะวะตะลาสอนพวกเรานี่จะทิ้งท้ายอะไรแบบนี้อิ่งคุนตุมมุมินีนอิ่งุนตุมตาลมูนอิ่งคุนตุมมุกีนีนแต่พวกเจ้าเป็นผู้สุดท้าย่างแด้ แต่พวกเจ้ารู้ดีรู้จริงนะต้องทําแบบนี้อิงกุนตุมโมกินีแต่พวกเจ้านี่มีเกณฑ์มีความมั่นใจแล้วันจะต้องเป็นแบบนี้เพราะท้ายๆยแต่ละอายาเนี่ยมันจะมีการทิ้งท้ายที่มีความลึกซึ้งที่ผู้ศรัทธาจะต้องไตรตรองอย่างดีโดยเฉพาะถ้ามีการทิ้งท้ายแบบเป็นเงนื่อนไขที่มันกระทบกระทบอิมานของเรา อิงกุนตุโมมีนอุ่ยเงินนี่เป็นเงื่อนไขมันไม่ใช่เป็นเรื่องเป็นเรื่องขู่เล่นๆนะไม่ใช่เรื่องขู่เล่นๆนะเงื่อนไขของอีมานอิงกุนตุเรื่องเรื่องเรื่องเยียมเกรงต่อล l enn l a h เรื่องวันเกรงต่อ Allah سبحانه และ تعالى เป็นเรื่องที่พวกเราต้องตรวจสอบนี่พูดถึงเรื่องเงื่อนไขของของอีมาน ถ้ามไม่กลัวอันล่อนนะซึ่งความไม่กลัวอันล่อนนี่เท่าที่ควรเนี่ยนี่มันไม่ได้เป็นการกระทํานะไม่ได้เป็นการทําบาปที่เป็นรูปธรรมนะมันเป็นความรู้สึกภายในหัวใจของเราจางึงทําให้เราต้องมีบทเรียนสําคัญว่าอุลมะอุลมะที่เขาตราตรองคําสั่งสอน ให้คนหาซึ่งแก่นแท้ของของเป้าหมายของของคำสั่งสอนเนี่ยเขาจะบอกว่าการเดินทางไปหาเราเนี่ยเราเนี่ยกําลังเดินทางไปหาเราพิกนิกของเราในโลกด้วยพิกนิกพิกนิกว่าไงไม่ใช่เตาแก๊สนะเตาแก๊สนี่เขาเรียกพิกนิกพราะเพรเพราะใช้ในพิกนิกพิกนิกคือ ช่วงข่าวไปเที่ยวสั้นไปปิกนิกเออนี้หที่ไปที่มาของปิกนิกช่วงข่าวเราไปปิกนิกนิดเดียวไม่ได้ไม่ด้ไม่ไ ด, ไมได้ไปเที่ยวแบบายาวนนๆนานๆโลกดุนดยานี้เนี่ยเราเดินทางสั้นๆระยะสั้นๆช่วงข่าวขณะที่เราเดินทางในระยะสั้นๆในโลกดุนยานี้อุลมะได้บอกว่าการเดินทาง ไปะคาโรนนี่มันไม่เหมือนเดินทางในโลกนี้ระหว่างสองจุดระยะทางเราใช้พลังงานของที่ใช้พลังงานของร่างกายของเรานี่ต้องเดินใช้พลังงานของพาหนะขี่มากขี่อูดใช้พลังงานของยานพาหนะต่างๆรถเครื่องบินจักรยานยนต์จักรยานถีบจักรยานเครื่องบินจรวด ทั้งหมดนี้เป็นพลังงานซึ่งจะผ่านทางเส้นทางระยะทางระหว่างสองจุดเนี่ยมันก็มีเวลาคงมันแล้วเวลามันก็ขึ้นกับความเร็วของพลังงานที่เราจะออกในการเดินทางแต่การเดินทางไปสู่อัครลเนี่ยมันไม่ได้ใช้พลังงานแบบนี้อัลลอฮ์จึงบอกว่าสซยุอิลอลลอฮิเซยุนบิลกูลูบการเดินทางไปอัครลอเนี่ย เป็นการเดินทางด้วยหัวใจเดินทางด้วยหัวใจสังเกตว่าเรื่องหลักๆสำคัญในอิสลามเห็นเะป็นเรื่องที่มีหัวใจถ้าหัวใจเนี่ยสามารถเราสามารถบริหารหัวใจให้ดีนะงานปฏิบัติต่างๆนี่มันก็จะง่ายลงเรื่องละหมาดอิบาดาอะไรต่างๆที่เรารู้สึกว่ามันหนักสาหัสสำหรับบางคนนะแต่หรับบางคนนี่รู้สึกโอ้โหนี่ละหมาดนี่ ยุ่งยากเหลือเกินห้าว aktu เนี่อุ้ยต้องหาเวลาหาสถานที่หาที่อาบน้ําละหมาดอ้ยทรมานเพราะหัวใจไม่ไม่ได้บริหารให้ให้ดีก่อนไม่ได้เคลียหัวใจซะก่อนพอเราสังเกตว่าคนเนี่ยเวลาเขาชอบเรื่องหนึ่งเรื่องใดตระหนักในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเรื่องนั้นน่ะ มันจะไม่เป็นสิ่งทุกข์ทรมานสำหรับมันมเนมันจะไม่เป็นความทุกข์สหรับเขาคนชอบเล่นบอลอย่างเงี้ยป่ะไปเล่นบป่เฮ้ยไม่มีรถไปนะอ้ดดูรถรถเมย์ไปเฮ้ยจานี่มีรถเมย์มีสองแถวอดูดรถสองแถวนี้มันเต็มหมดดูปีนมาเฮ้ยเต็มหมดแลยอ่านนาแท็กซี่ยอมลงทุนอ่าแท็กซี่หมดเดียวับขอให้ไป นี่จะเป็นเรื่องละหมาดจะขนาดนี้มะแต่ละหมาดอยูม่มัมาเรียนตัปซีนจะขนาดนี้มะนี่ข้อแตกต่างกันนะหัวใจของเรายังไม่ถึงอ่ะแต่หัวใจยังไม่ถึงอัลลอฮ์นี่แน่นอนแต่อัลลอฮ์บอกว่าละหมาดจะกาถซินอด <c oughs> เดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งยังยังยังยัง ย, ง, ยงไม่พร้อมแต่ถ้าหัวใจถึงอ่ะโอ้โหทุกอย่างนี่มันจะระเบิดจริง หัวใจมันต้องถึงก่อน่ะอ่ะยังไม่ยังไม่จบนะเรื่องการชี้แจงอธิบายเรื่องนี้เพราะมันเป็นกติกาที่จะใช้ตลอดจนถึงวันเกียร์มาฮ์นี่อัลลอฮฺสุบฮานาะวะดะลาก็เลยย้ัมเปอีกไอยันึน์อิยัดอิสบซีนะครับบัดาห์อุบิลลาฮิมิลเชตุลฟาร์จิ่มาติลูฮุมุญุฮัลลัฮฺบิอดีกุม เบ่ายีคุมวิขะซิ่มวิอันซุรคุม عليهم วิชฝิ้ซดูร์ควม์ผูมีนีก่ติลูหุมพวกเจ้าจงต่อสู้พวกเขาเถิดต่อสู้พวกเขาก็คือพวกที่ประกาศตัวเป็นศัตรูพวกที่ขับไล่ท่นานนบีออกจากมักกะพวกที่บิดพลิวในสัญญาต่างๆระหว่างพวกเขากับพวกเจ้าข้อสังเกต Allah ใช่คำว่า قاتل ุห uh um ์มนี่ قاتل ุหม قاتل ุหม uh um ต้องอธิบายว่าต้องแปลว่าตองต่อสู้ต่อสู้เพราะมันมีการโต้อ ต, อตอบโต้อตอบกันในการในการต่อสู้ต่อสู้ถึงขั้นถึงขั้นที่อาจจะต้องเอาชีวิตกันนะต่อสู้ แต่อัลลอ์ไม่ได้ใช่เลยนะในการที่จะสั่งที่จะต่อสู้กับศัตรูศัตรูชาติที่เขาตั้งใจสังหารมุสลิมอยู่แล้วนะใช้คำว่ากอติลูมซึ่งต่างจากคำว่าอุกอุกตลูหมอุกตลูหมข้ามันข uh um ้ามมันซึ่งบอกแล้วในในบรรยากาศของสงครามซึ่งนี้ สุราอัตวานี้ก็กำลังเล่าบรรยากาศของสงครามที่กําลังเกิดขึ้นระหว่างมุสลิมกับคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมในยุคนั้นน่ะ น, นะที่เขาอยู่อยู่ระหว่างการทำสงครามตลอดเราก็รู้กันบรรยากาศของสงครามฝ่ายนี้กับฝ่ายนี้ฝ่ายนี้เวลาเวลาปะทะกันแล้วนะ่ะคุยยังไงฆ่ามั่นฆ่ามันฆ่าเลย หมายถึงว่ามันมีเหตุผลที่จะใช้คําว่าอุกตุลุ่มแต่ถามาอุกตุลุมข้ามันก็นมามันมันเป็นมันเป็นภาวะสงครามอ่ะเอาสงครามนี่มันจะนิ่มนวลได้ไงคือเป็นข้อสังเกตของคนดิจะต่อต้านอิสลามแล้วก็จะหยิบมักจะหยิบยกอายะต่างๆในสุรอัตตอบ้านเนี่ยอิสลามมีตรุ่นแรกนี่ก็ติลูเอ้ออะไรเนี่ยก็ต่อ zoom ันข้ามัน มันเป็นภาวะ ส, สงครามแล้วจะให้พูดยังไงอ่ะแจกดอกไม้มันภาวะ ส, สงครามสงครามถึงขนาดที่นบีละาร์ไม่มีแผ่นดินอยู่เลยนะออกจากมะกะไปมา ด, ดีน่านี่ก็ยังละยังไล่ ล, ะละ่านี่ไปตามไปถึงมาดีน่านี่จะจะมาฆ่านาบีอ่ะน้าใจแทกดอกไม้มันอตอนรับให้ดีแจกน้ําชาเลยละจะใจพูดยังไงอ่ะ คนนี้คนนี้ไม่เป็นธรรมในการที่จะศึกษาคุรานแล้วก็แล้วก็ศึกษาบรรยากาศของแต่ละอายาเนี่ยเรียกอัสมาบุนูซูที่ไปที่มาของอายาต่างๆในคำพีของศาสนาต่างๆนี่ก็มีคํานี้หนึ่งให้เห็นค่าสัตว์ตูสังหารศัตว์ตูก็มีเยอะแยะเราก็เข้าใจตามบริบทของมันนะแล้วก็มีเหตุมีผลของมันแต่ข้อสังเกตว่าในคุรานเนี่ย ไม่ค่อยมีเลยนะโดยเฉพาะในการพูดะระหว่างการทำสงครามหรือเบื้องต้นของการทำสงครามเนี่ยไม่มีนะข้ามันเนี่ยข้าเนี่ยสังหารเนี่ยไม่มีแต่มีก้อตีลู่หุงต่อสู้ซึ่งในภาษาอังกฤษก็เหมือนกันก้อตีลู่หุมขอตีลูหุมไม่จำเป็นต้องฆ่าก้อตีลูหุมก็คือก็คือปกป้อง อ, อย่างที่บอกแล้วนี่อิหม่ามเอมิเนตัยเมียนี่ให้เหตุผลด้วยการศึกษาคำสอน ต, ต่างๆที่เกี่ยวกับ <c oughs> ความรุนแรงหรือการต่อสู้หรือการทำสงครามในคุรอ่านนี่บอกว่าทุกอายาทุกฮาดิสที่พูดถึงเรื่องสงครามเนี่ยพูดถึงการป้องกันป้องกันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเฉยๆมีเรามีสันติภาพ คนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมเนี่ยเขาไม่ได้มาเอะอะมาว่าอะไรกับมุสลิมอยู่ดีๆเราก็ลุกขึ้นเฮ้ยบะสงครามเราอยู่อย่างนี้ไม่ได้เราต้องมีสงครามกันอันนี้ไม่มีในหลักศา ส, สนา น, นี่ไม่เคยมีเอาเอาแค่ประวัติของท่านนาบีพอที่จะตรวจสอบได้สิบสามปีที่มักกานี่อันนี้แนะ่นอนนบีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีประกาศสงครามใดๆเลยอันนี้เอกฉันเลยนะ ที่ม a ดี n นี่สิพินะนี่น่ยที่อุลามะฮ์เขาขีลาวกันอิบนุะไทน์บอกว่าศึกษาชีวะประวัติของนบีสัลลัลลอฮุวะลัยซูละละมั่ดีนะไม่มีไม่มีสงครามใดๆที่นบีทำนอกจากว่าต้องเกิดภัยภัยต่อท่านนบีสัฮฺอับบาลละศาสนาเสียก่อนต้องเกิดภัยก่อนวิธี่ดีๆเนี่ยเขาก็ไม่ไม่มีภัยไม่มีอะไรเลยเนี่ยเราก็เริ่ม ไปบุกรุกไปรุกรานเขาแล้วก็ไปเขนฆ่าเขาไปต่อสูก้กับเขาเนี่ยอันนี้ไม่มีนบีไม่เคยทำเลยกาติลุมรากสัมนี่มีคำว่ากาตาละกาตาละกาตาลานย่างเดินอย่างคำว่ากาตาล ะ, ะ, ละนี่รกักพท์นี่สามตัวนี้กอฟกับตากับรามก็ตาละเนี่ยฆ่านะกอตะะ่เนี่ยฆ่าแต่ถ้า คอตาละเพิ่มแค่อเลฟเนี่ยคอตาละคือมีการต่อสู้ระหว่างสองฝ่ายอูฟาลเนี่ยต่อสู้มีต่อสู้ระหว่างต่อสู้นี่ไม่จะเป็นต้องฆ่าอันโอเลมาเขาบอกว่าคนที่สมมุติว่าคนที่บุกรุกบุกบ้านเราโจมป้นอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่ต้องการฆ่าเรา เราไม่มีสิทธิ์เราไม่มีสิทธิ์ที่จะฆ่าเขาเราก็ต้องการป้อนอย่างเดียวแต่กาต้องการป้อนอย่างเดียวเราจะรู้ยังไงก็จากบรรยากาศอะไรหลายอย่างคนเข้ามาบางทีเนี่ยโดนป้นเข้ามาไม่มีอาวุธไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแสดงว่าคนนี้ไม่เป้าหมายเขาเนี่ยไม่ใช่ฆ่าเป้าหมายเขาเนี่คือป้นทีนี้เราจะป้องกันไม่เขามาป้อนอานุามนบอกว่า ให้ป้องกันจากเบาสูนะ่หนักหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าเจอเราเนี่ยเจ้าเจ้าของบ้านเนี่ยเรามีอาวุธเรามีปืนอยู่แล้วแต่โจนเข้ามานี่ไม่มีอะไรเลยแค่เห็นโจนปีนหน้าต่างมาเนี่ยเปี้ยงล่วงยังไม่ทันคุยยังไม่ทันอะไรเลยนะเจอเขาปีนหน้าต่างนี่เปี้ยงฆ่าเลยไม่ได้ท้งนั้นี้ถ้าทีเขาเนี่ยมาคือ มาไม้นี้เนี่ยก็คงไม่หวังดีแน่นอนแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะเริ่มด้วยการฆ่าทันทีเนี่ยไม่ได้ไม่ได้และอาจเป็นฆาตกรรมที่ไม่มีเจตนาดีถ้าหากว่าคนที่เขาแสดงกิริยาที่ไม่เป็นมิตรอย่างเงี้ยแต่ไม่ถึงขั้นไม่มีสัญญาณว่าเขา มุ่งที่จะมาทำร้ายหรือจะมาเข็นฆ่าเราแล้วก็เรารีบฆ่าเข้าไปเลยเนี่ยเนี่ยอาจจะเป็นกาไม่ได้ไม่กว่าเป็นเป็นฆาตกรรมโดยไม่เจตนานะอันนี่เจตนาเราเจตนาฆ่าเขาแล้วเราบางทีก็ไม่มีเหตุผลที่จะไปฆ่าเขาด้วยซ้เป็นฆาตกรรมโดยเจตนาแต่ได้กว่าเข้ามาอาป้นพอเขาเจอเจ้าของบ้านนกวนในกว่าบ้านไม่มีคนพอเจอเจ้าของบ้านนี่ตกใจก็เลยจับ มีอะไรก็จ ะ, จะมาตีเราอ้าสมมติว่าเขาก็เจอไม่ไผ่ไม่ไผ่จะมาตีเราก็เลยเอาเหล็กเอาเหล็กตีหัวเลยอนบางคไม่ได้เหมือนกันคือเราต้องดูอาวุธของเขาเนี่ยเป็นอะไรและอาวุธของเราเนี่เป็นอะไรและ ก, ก, การทำร้ายของเขาเนี่ยมันจะไร้แรงขนาดไหน อ่าสงหัวไม่ไัยเล็กๆอย่างเงี้ยไม่ไัยเล็กๆนี่จะมาดีแค่ไหนมันก็ไม่ตายหรอกแต่เรามีเหล็กอย่างเงเหล็กหรือนาสามอย่างเงี้ยเปี่ยงทีนึ่งล่วงเลยเพราว่าตีได้แต่ไม่ใช่ตีที่หัวนะไปตีทีท้องตีขาอะไรเงี้ยขัดขัดขวางเขาก่อนอ้าวพอตีแล้วนี่ที่เท้าตีที่ขาเนี่อันนี้ไม่ยอมมันนังก็มันจะมาหาอะไรจะมาจะมาทำร้ายเราอ้าวเราก็ตีที่ ตีที่หลังตีทีท่บานี่ครให้เขาขวางเขาหน่อยไอ้ น, นี่ยังไม่ยอมเนี่ยังจะนี่ไปเจอมีดจาอะค่านี้แหละมาละถ้าเขาถือมีดแล้วเนี่ยแสดงว่าอันนี้เจตนาจะฆ่าเราแล้วถ้าเจตนาจะฆ่าเราเนี่ยเราก็ยกระดับจากเบาเนี่ยไปหนักหนักแล้วนะอ่าเรามีปืนนี่ยชักปืนได้ละหรือถ้าเรามีมีดเนี่ยก็ชักมีดได้แล้ะแตาไมื่อเขายังไม่มียังไม่มีอะไรเลยใช้มืออย่างเดียวเอนแล้วเปี้ยงนีน่อุลมะคอกกัไม่ได้ ขอ้อแ้จริงอ่ะบางทีบางคนนะ่ะบางทีบางคนเนี่ยด้วยความตกใจอ่ะนะเป็นไปได้เช่นผู้หญิงหรือคนที่แบบว่าควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เนี่ยบางทีตกใจแค่เจอคนเข้าบ้านนี่อะขี่ปืนยิงเลยเฮ้ยทาอะไรไ ม, ไม่รู้คือไม่รู้ตกใจไม่รู้ไม่ ร, มรู้ไม่รู้ตัวไงอเออ ก, ก็ก็มีเหมือนบางคนเนี่ยขับรถขับรถพอเจออะไรตกใจเนี่ยก็แทนที่จะเหยียบเบรกเหยียบอะไรเหยียบเร่ง อันนี้มีตกใจมีอันนี้ตกใจแบบนี้นะไม่ว่าอันแบบนี้สำหรับคนที่ควบคุมสติเอาอยู่นะอันนี้ไม่ได้มีทั้งหมดเนี่ยเพราะหลักการสําคัญของศาสนานี่ยชีวิตทุกชีวิตย่อมมีศักดิ์ศรีที่ต้องเคารพทุกชีวิตแม้กระทั่งชีวิตของคนที่กําลังละเมอเรานะโจรมาป้อนอย่างเงี้ยก็เป็นชีวิตเหมือนกันนะ่ะไม่ใช่ว่าแค่มีเจตนามาป้นนี่แสดงว่าเราเอาชีวิตเขาได้ไง่ายๆอย่างนั้นไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ไไดนี่แม้กระทั่งสงครามซึ่งสงครามภาวะสงครามนี่มีแต่เรื่องเอาชีวิตกันอย่างเดียวสงครามนี่มันไม่ใช่เชิญก่อนเชิญก่นอนเชิญสงคารามไม่มีไม่มีเชิญชวนกันนะสงคารามเนี่ยใครเอาชีวิตก่อนนี่ก็คือรอดไงนี่ขนาดภาวะสงครามนะภาวะสงคารามนะแต่หากว่า เราอยู่ระหว่างกันสู้กันในสงครามเนี่ยศา ส, สนายังไม่ใช้คำว่าอ uh um ุตูลูฮทั้งนั้นดิทั้ทงนั้นี่การสั่งให้ฆ่านี่มันก็เป็นที่เข้าใจโดยปริยัสงครามมันก็คือฆ่ากันนั่นแหละแต่คุรานก็ยังใช้คำว่ากอติลูไม่มีใช้อุตูลูฮ์จึงสามารถเข้าใจได้ว่าพออัลลอฮ์บอกว่าให้ต่อสู้ต่อสู้กับพวกเขาย uh um ห Allah จะได้งลงโทษพวกเขายั่งยิบอาญาบอาญาบอาญาบยั่งจะลงโทษลงโทษพวกเขาด้วยการที่พวกเจ้าต่อสู้กับพวกเขาคือเขาจะเห็นว่ามุสลิมเนี่ยไม่ใช่คนง่ายๆพอชักอาวุธขู่เขาก็ห น, นีเลยไม่เขาต้องรู้ว่าถ้าพวกคนคิด จะเอาชีวิตของมุสลิมเนี่ยมุสลิมเขาจะต่อสู้นะเขาไม่ยอมนะถ้าพวกคนคิดจะคมเหงจะเหยียดหยามเขาเนี่ยเขาจะต่อสู้นะเขาไม่ยอมนะแบบนี้เนี่ยเขาก็ต้องเครียดละเฮ้ยสิบสามปีเนี่ยใครก ล, ล่าวละอิละฮะอิละลลอฮฺตกนะใครบอกว่าฉันรักมูฮัมมัดเนี่ยในระดับไหนละ ใคร อ, อะไรกับอิสลามมีเนี่ทรมานซ้อมทรมานเลยสิบสามปีเขาทําแบบนี้กับมุสลิมมาโดยตลอดอิสลามก็บอกก็อดทนอดทนเรามีเป้าหมายสําคัญก็คือเผยแพร่ศาสนาเพราะนาย บ, บีทนไม่ไหวแล้วขอเนียดอพยพไปอยู่มดีนาจะได้เผยแพร่แบบอิสา ร, าอระเอาไปไปอยู่มดีนาหนี่ตามไปอีกนี่แสดงว่า ท่านบีไปไหนเนี่ยเขาก็จะตามไปเออใชา่นบีสั่งก่อนที่จะอพยพไปมา ด, ดีนาเนี่ยมีซาบ้าเนี่ยบอกกับท่านนบีเราทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวจริงๆนบีเขบอกว่าอพยพไปฮาร์บะชาเอธิโอเปียข้ามทะเลแดงซึ่งไกลจากมา ด, ดีนาเยอะนะข้ามเพราะตอนนั้นในมา ด, ดีนายังไม่รู้ไม่ดูท่าทีไม่รู้เขาจะเอาด้วยหรือไม่เอาด้วยแต่ตอนนั้นนะ่ะ ชื่อเสียงของอนันนายาชีกษัตริย์ของฮามบาชาที่มีความยุติธรรมเนี่ยลั่นมาถึงมักการเลยโอ้แหน บ, บีจึงบอกว่า น, นู่นน่ยมีกษัตริย์คนหนึ่งยุติธรรมมากใครไปอยู่ที่ น, นู่นนะนะปลอดภัยแน่พวกท่านไปเถอะไปฮามบาชาแล้วนี่นะกูริชเนี่ยสงคนน่ยไปเอาน่ยไปไปคุยเนี่ยไปหลอกนายาชีจะได้เอากลับนี่แสดงว่าทนายบีของมักกานทนายบีคิดมาเมืองไทยเนี่ยกูริชอยู่คงส่งคน แล้วแล้วจะไปไหนอีกแล้วจึงเป็นเหตุผลแล้วไงว่าอเทงนั้น่มันไปไปไหนไม่ได้หรอกต้องต่อสู้แล้ต่อสู้แล้วว่ะนะาเครียดแล้วดิโคเรชเ อ, อ้ยไม่ไม่ใช่คนง่ายง่ายเหมือนตะก่อนแล้วนะไม่ใช่คิดว่าเออเขาจะไรลเลยเราจะตบหน้า ต, ตบปากเฉยเลยงนะไม่ได้ไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่ว่าเออเขาจะประกาศเขาอยากจะละหมาดอยากจะอาซานนี่ก็เอามามาทรมานมาซ้อมเอามาเอาก้อนหินมาทุบหัวเลย มัน น, น, นี้ก็ท <the Param> ํากับีแล้วไม่ใช่แล้วนะแบบนี้ไม่ใช่แล้วนะต้องเครียดดิตรงรู้สึกว่านี่เรื่องเรื่องนี่เรื่องเใหญ่เรื่องเรื่องใหญ่สําหรับกุเรชแล้วนะคนอ่อนแอคนเร่ร่อนคนไม่มีที่พึ่งไม่มีอํานาจแต่เขาประกาศว่าเขาเนี่ยเป็นคู่อริกับเราแล้วนะเขาจะต่อสู้กับเรานะอออบบมมลลดีจ้ ลงโทษพวกเขาด้วยมือด้วยน้ำมือของพวกเจ้าทุกดิทุกอเมริกาทุกไหมตอนออกจากกัมพูชานโซเวียตอยู่ที่กัมพูชานสิบปีเหมือนกันนะเขาออกเหมือนกันทุกไหมทุกดิทุกวันนี้เนี่ยนะคือเขาออกไปแล้ว เ, เรียบร้อยแล้วนะแต่ไบเดนไปไหนนี่ก็มีคนถามกามพูชานยังไง ไงไอเมกนิสาราเอล่งไงตาลิบันเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างสบายดีไหม <laughs> ประเทศมหาอำนาจรประททศรวยที่สุดในโลกทหารแข็งแกร่งที่สุดเบอร์หนึ่งของโลกแ้วะมีคนมาจากไหนกันไม่รู้แต่ก่อ น, นุู้นเน่เขาก็เรียกตาลิบันเนี่ยอูกคอการ้ายบวกเถื่อนพวกนืใช่ไหมล้ไงแล้วยังไง แค่นี้เนี่ยเขาก็ทุกข์จะตายแล้วเป็นการลงโทษที่เจ็บแสบเจ็บแสบที่สุดไบเดนก่อนที่จะถอนอาหารอเมริกาเนี่ยมีคนถามว่าแล้วมีโอกาสไหมที่ตาลิบันเขาจะมายึดอำนาจอเมริกาออกดิจิตอไม่มีทางเพอรัฐบาลของของอกมริกัิสานที่เราฝึกเขาอย่างดีเนี่ยสามแสนคน 3ามแสนคนบมาไินี่พูดนี่อคนทั่วโลกนี่เขารู้สึกอุ่นใจมากเออตอลิบันคงขึ้นหนึ่งอาทิตย์นะฮะสามแสนนี่ล่วงเลยสามแสนนี่ตอลิบันนี่ไปไหนนี่นะเขาไม่ได้สู้นะตอลิบันนี่แค่ประกาศก่อนที่จะเข้านี่ให้หกชั่วโมงถ้ามอบอาวุธแล้วอะนะให้อภัยโทษไม่มีอะไรเราจะไม่จับกลุมใครไม่อะไรคับ มออาวุธนี่จบไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ถ้าไม่มออาวุธนี่นะก็ต้องสู้กันฐา <reconnect. S 2> นรับการนิสานี่นะตอบมอบอาวุธนี่ยอมแพ้กหมดเลยแค่นี้เขาก็กเขาก็ทรมานแล้วอเมริกานถ้าตอ่อสู้กับรัสเซียนะและแพ้นะไม่เท่ากับแพ้กับตาลิบนันทาไมอ่ะคู่ควรอนะ่ะรัสเซียเนาะ คือสู้กันยังไงกับรับเสเซียไงใช่ไหมถ้าตาลิบันน่ะตลิบันนี่คือความรู้สึกของชาวมกกละกุริชใครอ่ะเขาเกล่าวหานาบีในว่าคนที่ไปรับอิสลามกันนบีเนี่ยพวกเร่ร่อนพวกไม่มีตระกูลพวกยากจนพวกทาทาสีพวกที่ไม่มีที่ไปที่มาพวกพวกชันต่ำคนชั้นต่ำของสังคม มีแต่คนนี่ไม่มีไม่มีน้ำไม่มีโนเนมอะ no ไอพวกโนเนมอะเนี่ยมาจัดการมาจัดการกูรชิชจนอัปพยพสิสงนี้เลยนะเจ็บมาเจ็บสิครับแล้วบอกว่าวิธีนี้เนี่ยผลงานที่อัลลอสุบฮะราจะให้มันปรากฏด้วยน้ำมือของพวกเจ้านี่นี่คือนี่คือการทรมานที่อัลลอจะลงอัลลอจะไม่ลงโทษไม่ลงโทษด้วยการ ให้เกิดมหัเจรษฐาซึ่ง Allah สามารถทําได้นะหมาอนี่ทํากับกลุ่มชนนบีฮูดนบีซาเลจะเป็นฟ้าแลบจะเป็นน้ําท่วมจะเป็นเอ่อเป็นคลื่นน้าทะเลหรือจะเป็นอะไรก็ตามอเราสามารถแป๊บเดียวจัดการได้เลยแต่เ a า l a h จะให้ผู้ศรัทธาเนี่ยมีบทบาทมีผลงานในการที่จะปก ป้อคุ้มครองศา ส, สนาของโปรงฉะนั้นมุสลิมทุกคนก็ต้องพิจารณาตัวเองพวกเราทุกคนต้องมีบทบาทตามบริบทในการปกป้องอิสลามปกป้องอิสลามโดยการเรียนรู้เพราะถ้าเราไม่เรียนรู้เราจะเป็นคนใจเฮเป็นคนโง่ถูกหลอกได้ถูก หยายามได้โดยที่ไม่รู้แ ส, สดงว่าเราจะปกป้องอิสลามด้วยการเรียนรู้ปกป้องอิสลามด้วยการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดปกป้องอิสลามด้วยการเผยแพร่ปกป้องอิสลามด้วยการชี้แจงสั่งสอนคนอื่นปกป้องอิสลามด้วยมารยาทที่ดีปกป้องอิสลามด้วยการแา ส, สดงพลังแสดงความสามารถในการปกป้องเฮ้ยอย่าคิดว่าเออ มุสลิมนี่ง่ายนะยังไงยังไงอะไรค่าได้นะ่ไม่ใช่ในแต่ละบริบทเนี่ยเราจะเห็นว่าเพียงการยินหยัดในบางเรื่องนี่นะทำใหเราชนะสงครามในบริบทนั้นๆได้เช่นมันมีสงครามหลายมิติสงครามในสมรภูมิที่มีอาวุธ มีการเข็นค่าอย่างเป็นรูปธรรมมานะอันนี้อันนี้ก็เป็นสงครามแต่มีสงครามในบริบทอื่นเช่นสงครามบริโภคอาหารสงครามต่อสู้ไปถามคนที่รักสุขภาพรักสุขภาพกินอาหารปลอดสารเคมีถามเขาดู คุณต่อสู้ต่อสู้หาผักที่ปลอดสารเคมีหาเนื้อไก่ที่ฮะ<ม>ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่มีสารไอ้กรรมวิธีอะไรต่างๆเนี่ยเขาต่อสู้มุสลิมต่อสู้ไอ้มุสลิมก็ต่อสู้อ า, ห, ล า, ลนะออาหารฮาลาลเนี่ยม่ต้งปลอดสารเคมีงูมัก็มีแค่หาอาหารฮาลาลเนี่ยก็สู้แทบแย่แล้วเขาต่อสู้ ย้อนไปในบ้านเอาบ้านเราเนี่ยไตรงที่อื่นในเมืองไทยเนี่ยย้อนไปสักสามสิบี่สิบปีเนี่ยตะก่อนนู้นนะ่ะสภาพอาหารฮาลาลบ้านเราเนี่ยไม่ใช่อย่างที่เราเห็นกันตอนนี้นะ่ะไม่ใช่สามสิบสีนะ่สิบปีห้าสิบปีซีมตะกอนนู้นะออกจากบ้านเนี่ยต้องมีอาหารพาไปด้วยนะถ้าเดินทางไกลเนี่ยก็ต้องมีอาหารเพราะเพราะไม่หวังว่าจะ แจอดโดมีเซเว่นมีไข่ต้มมีอาหารฮาลาสามารถเข้าเว็บโอ้แต่ก่อนไม่ใช่อย่างงั้นเดินทางสองสามชั่วโมงเนี่ยต้องมีอาหารพกพาไปด้วย <c oughs> แต่การที่เรามุสลิมเนี่ยยืนหยัดในเรื่องเนี้ยและไม่ใช่มุสลิมในเมืองไทยอย่างเดียวนะมุสลิมทั่วโลกยืนหยัดในเรื่องอาหารฮาลาลไปที่ไหนไม่มีฮาลาลไม่กินนีฮาลาลไม่กินไม่เอ า, ไ ม, เอาไม่มีฮาลาล เฮ้เฮ้ยม่มอะไรกินแล้วก็อย่างเงี้ยจะหิวอย่างเงี้ยเอาผมยอมหิวผมไม่กินอาหารเดียกินน้ําเมียงเดียวการยิ่งใหญ่อย่างเนี้ทําให้เราได้ชนะสงครามพาลผมว่าชนะนะเอาละ่ะอาจจะมีมุสลิมบางคนที่อ่อนแอหน่อยกินอะไรก็ได้นะอันนี้เนี่ยเขาอะคนคนแบบเนี้ยแพ้สงครามพาลนะแพ้สงครามคือ ไปไหนสมมติไปที่ไหนนี่ไม่มีไม่ได้เตรียมอะไรเลยเนี่ยก็ตอรูโรตอรูโรแพรสองคำอย่างตอรูโรนี่มันมีเงินขายเยอะเนะี่ยคือคือเรามีแค่สมม่ะเดินทางไปอีสานวันหนึ่งอ่ะไปกลับอย่างเงี้ยเราก็มีบ้านของเราเราก็เตรียมอาหารมีผิวโตมีอะไรนี่ก็ใส่อาหารเราทําได้ทั้งนั้นนะนะแต่เราไม่ทํา เราไม่ทําเรามักง่ายเอาไปแล้วเนี่ยก็โทษๆๆๆนี่อาหารอิสลามไม่ใช่อีสานไม่ใช่อิสลามอีสานไม่ใช่อิสลามเอามักง่ายไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันสมตําสี่พุทธี่พุดแพ้ ส, สงคารามละคนเหล่าเนี้ยแพ้สงคารามแต่คนส่วนมากเนี่ยเขาไม่ยอมไม่ยอมสุด ท, ท, ทายย้ายยังไงสังเกตได้เลยนะบริษัทต่างๆ่นี่มีมุสลิมไม่กี่คน ถ้าเขายืนหยัดนะจัดสัมมน า, าเขาหน้าเนี่ยอันนี้มีมุมถึงแม้ว่าเขาจะเห็นใจอาจจะอาจจะอาหารไม่รู้ไม่เหมือนคนอื่นนะนะแล้วก็สั่งให้มีกล่องอันนี้มีกล่องให้นะสำหรับอิสลามนะนี่นงนี้หรือบางทีเนี่ยก็เอา้านี่มีไข่ต้มห้นะไข่ต้มอลโหมีอย่างอื่นเ น, น ม, มีมีบูกรทะมีอะไรสารพัดอย่างุสลิมกินกัน แต่ก็ถือว่าชนะไงถือว่าชนะไงเขก็ก ย, ย, ยังยังยังยังสนองไงแต่บางพื้นที่เนี่ยถ้าถ้าจำนวนมุสลิมเยอะกว่านี้เนี่ยอยาว่าจัดมุมนะี่ยเขาสั่งอาหารมุสลิมทั้งบุฟเฟ่เลยทั้งนี้มีต่างสนาเยอะนะทําไมพอ่ะพราะพี่น้องต่าสนา ก, ก, ก็กินได้อยู่แล้วเอาให้สบายใจกันทั้งหมดเลยไม่เห็นจะมีอะไรกินไก่กินกินเวัวกินอะไรก็กิ น, ก, น, ก, นกินได้หมดแหละ อาจจะขาดเครื่องดิมนิดนึงเครื่องดิม่มอะ น, นี่มั <laughs> อ น, นี้มันมีฮาลาลนไม่ได้น <laughs> อ <laughs> นี่ก็เป็นสงครามอีกสงครามหนึ่งและแม้กระทั่งรายละเอียดในมิติของสงครามฮาลาลเนี่ยมีรายละเอียดเยอะนะสงครามคนที่ผลิตคนที่ผลิตอาหารฮาลาลเนี่ยโอ้โหสงครามก็เยอะนะ แม้กระทั่งสถาปนาภาของจุฬาเขาก็ทําสงครามกันโอ้โหสู้กันสู้กับเจ้าหน้าที่สู้กับคนที่ไม่เข้าใจเขาก็สู้นะถ้าไม่มีหลักการยืนหยัดละ่ะถ้าไม่มีความเข้าใจที่เที่ยงตรงถูกต้องละ่ะแพ่สงครามเทียบได้เลยนะครับสงครามแต่และสงครามมุสลิมานี่มีสงครามคุมีิยาบสงครามมันคล้ายๆสงครามมันไม่ได้มันไม่ได้เอาชีวิต แต่มันเอาอุดมการไปอ่ะเขาไม่ได้ฆ่าชีวิตแต่เขาฆ่าความความเป็นมุสลิมอ่ะเฮ้ยมานี่กูมียาไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเต่อไทแผลสงครามแผลสงครามก็มิติเนี่ยบริบทสงครามนี้ก็มีเยอะนะครับวัยุขสิหิมวัยุขสิหิม และจะได้ทรงหยามพวกเขาท่านได้ให้พวกเขายกเสียมแล้วจะให้พวกเขาได้อั ป, ปะยศ <c oughs> ได้ประสบกับความอั ป, ปะยศวอลคิซีคิซยุ่นเนี่ยัอัปปะยะยศยกเสียมอันนี้เขาใช้คำ ว, ว่าหยาม <c oughs> แต่อย่างที่บอกว่าหยามไม่ใช่หยามคือ <c oughs> เราต้องเข้าใจนะอัลลอฮ์ะกำลังพูดถึงเรื่องกอติลูหุมจงต่อสู้ต่อสู้ทุกสงครามนะทุกสงครามไม่ค่อยมีหรอกฝ่ายชนะเนี่ย <c oughs> เขาจะฆ่าอีกฝั่งหนึ่งทั้งหมดเลยฆ่าเรียบเป็นไปนเพได้ส่วนมากนี่เวลาเขารู้สึกฝ่ายหนึ่งรู้สึกอ่อนแอแล้วสู้ไม่ไหวแล้วเนี่ยเขาก็จะยอมแพ้จะหนีบ้างหรือจะยกทงขาวบ้างแต่ไม่ได้ฆ่าทั้งหมดไง ใช่ไหทีนี้คนนี้ถูกฆ่าไปแล้วอะนะถูกฆ่าไปแล้วเนี่ยอันนั้นอาจจะเข้าใจหยามมันก็หมายถึงไม่เหลืออะไรแล้วชีวิตก็ยังไม่เหลือเลยแต่คนที่รอดล่ะคนนี้ไม่ได้ตายในสงครามยอมแพ้ถูกหยามอะหยามสิถูกหยามสิทุกสงครามแหละฝ่าย่ายแพ้นี่ก็ฝ่ายที่ ฝ่ายที่ถูกย่มอัลลอสุบฮานะอวะดาลหมายรวมว่าคนที่บังอาจประกาศตัวเป็นศัตรูกับอัลลอ์กับบรสูลกับศาสนาอิสลามพวกเจ้าเห็นพฤติกรรมของเขาแล้วในการที่เขาประกาศตัวเป็นศัตรูในการที่เขาพยายามที่จะขับไล่นบีละซฮะบะออกจากมักกะในการที่เขาประกาศสงครามแต่ละขั้นตอน ตัง้งแต่นบีอพยพจากมักกะไปมาดีน่าแล้วเนี่ยพวกเจ้าจงต่อสู้เขาสิเพราะการต่อสู้ของพวกเจ้าถึงแม้ว่าจะไม่ฆ่าเขานะบางคนอาจจะไม่ถูกฆ่านะแต่จะเป็นการยามเขาเขาจะรู้สึกยาม و ينصر كم عليهم ต่ยามเขาและจะได้ทรงช่วยเหลือพวกเจ้า ให้ได้รับชัยชนะในสุรกุมิลานเลวก็ชนะพวกเขาแลเยียวยาสุดดุรคอามมุ่งมั่นในพวกเขาและเยียวยาเยียวยาให้ได้ส่งบัมบัดสุดดุรหัวอกบัมบัดหัวอกของกลุ่มชนที่ศรัทธาทั้งหลายบัมบัดหัวอก คืออะไรหัวอกก็คือหัวใจทรง อ, อกของผู้ศรัทธาที่มีความโกรธมีความไม่พอใจมีความรู้สึกที่ไม่ดีที่ศัตรูอิสลามเนี่ยได้เหยียดหยามได้คมเหงมุสลิมมาโดยตลอดนี่เป็นความรู้สึกที่สะสมมาโดยตลอดสิบาปี มุสลิมแนวแนวอดทนอย่างเดียวมุสลิมรวมถึงท่านนบีลาะลวัมาทนบีนะถูกด่าทอถึงขนาดที่ด่าทอท่านนบีลอลฮต่อหน้าสห ا ไม่พอบังคับให้สห ا ب าด่าท่านนบีและใครที่ไม่ด่าท่านนบีก็จะ ก็จะทรมานบังคับให้ด่าท่านนบีจนกระทั่งซอฮาบ้านี่ร้องไห้ที่เขาถูกบังคับด่าท่านนบีแต่ท่านนบีปลอบใจเขาบอกว่าไม่เป็นไรถ้าการด่าฉันเนี่ยจให้พวกเจ้านี่ไม่ต้องรับการทรมานนี่ก็ด่าฉันอนุญาตท่านนบีอนุญาตดูความรู้สึกดิซอฮาบรู้สึกยางไงด่านบีนะ เราไม่สามารถทำอะไรได้เจบ็บไหมถ้าเหมือนที่เรารู้สึกในเวลาเขาลบหลู่ท่านนาีโซกันหรือเรรู้สึกรู้สึกเจบ็บรู้สึกปวดนะใช่ไหมความเจ็บปวดที่มันอยู่ในในทรงอกของเราด่ความแค้นความเจ็บเนี่ยเนี่ยอัลลอ์บอกว่าต่อสู้มันสิอย่ายอมมันสิและอัลลอฮ์จะทาให สิ่งที่มันอยู่ในหัวใจของเรานี่ที่ทำให้เราเนี่ยอ่อนแอที่ทำให้เราเนี่ยปวด ร, รา้าวัวดเจ็บเนี่ย Allah จะบำบัดมัน Allah จะบําบัดสูดๆนะครัมุ่งมินีอิบนากะซิรบอกว่า <c oughs> อันนี้ไม่ได้หมายรวมซาฮบานะบําบัดหัวใจก็คือขจัดขจัดความไม่พอใจความเจ็บปวดที่อยู่ในหัวใจไม่ใช่สําหรับซาฮบะและนบีนะไม่ใช่นะ สำหรับกลุ่มชนคูจาฮ์ฮูจาฮ์นี่ก็คือเผ่าเผ่าหนึ่งที่ไม่มีมุสลิมที่เขาฝักฝ่ายท่านนบีในสัญญาส่วนที่สัญญาอัลฮุดัยเบียที่บอกว่าในข้าบส ม, มุดอาหรับนี่ก็เลยแบ่งกันเป็นสองขัวเลยขั้วหนึ่งเลือกอยู่กับกุรชอีกขั้วหนึ่งไม่กี่เผ่าวนะ่ยเลือกอยู่กับท่านนบีนี่ขณะที่อยู่ระหว่างสัญญา สันติภาพระหว่างกุเรชกับท่านนบีอยู่ระหว่างอยู่แล้วเวลานี้มัน10ปีไงผ่านไปแค่2ปีแล้วสุดฮุซัยบีในปีที่6ผ่านไปสองปีใปีที่แปปีที่8ปดนะกูรชกับเบกเนี่ยยกทัพไปฆ่าเข็นฆ่าพวกขุจาะไม่ใช่มุสลิมนะขุจารนี่ไม่ใช่มุสลิมนะเจ้าป่วนดิเขาก็รีบไปหาท่านนบีเรียกร้องว่าเราเนี่ยเลือกเรียกฟังฟังท่านนบีจะได้ปกป้องเราหีิกูริชทำอย่างนี้ท่านนบีช่วยเลือเราหน่อย อัลลอก็อันอุญาตให้ท่านนาบีเนี่เนื่องจากว่าเขาถือว่าหักหลังบิดพลียวสัญญาสันติภาพนี้เนี่ยนบีก็เลยพิชิตมักกะจบสัญญาเนี้ถูกยกเลิกเพราะว่าการต่อสู้กับพวกเขาเนี่ยทําให้กลุ่มคุซาเนี่ยการที่นบีต่อสู้ ก, กเขาเนี่คือพวกกุฟาร์ของกุเรชนะทำให้พวกคุซาเนี่ยที่ไม่ได้สมซีมานะเขาสบายใจหน่อยเออเขาแก่แค้นให้เขาหน่อยอา้าวแสดงว่า คนเราจะมีความแค้นมีความปวดร้าวมีความปวดจ็บเจ็บใจอะเจ็บใจอ่ะมันได้หรือมันได้หรือต้องเข้าใจนะเรื่องความเจ็บเจ็บใจปวดใจเนี่ยมันไม่ไม่ใช่คนปกติทั่วไปเนี่ยไม่ได้ปรารถนาหรอกไม่มีใครบอกว่าอยู่เฉยๆเนี่ยเออฉันไม่เห็นเจ็บใจเลยาหาอะไรเจ็บใจหน่อยนะ คนแบบนี้คนไ ม, ไม่ปกติแน่นอนคืออยู่ที่ทนี่เนเอยดูดกัญชาเนะี่ยทไมกูไม่เจ็บสตินะหาอะไรเจ็บนี้มี่มีมีเรื่องอ่ะแสดงว่าตัวเองมีปัญหาแน่นอนไม่มีคนปกติจะไปแสวงหาความเจ็บปวดความเจ็บปวดมันมาหาเราตั้งหากมันมาเราเนี่ยเราปิดบังมันไม่ได้เราขับออกมันไม่ได้มาแล้ว นั่งอยู่เฉยๆนี่เออลราปะเสียแล้วนะมาเสียแล้วน ะ, ะเรื่องนี้เราจะจะกีดกันยังไงอ่ะแล้วความเจ็บปวดจะเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นดิเกิดขึ้นแน่นอนเจ็บใจเจ็บปวดอ่ะรู้ว่า <c oughs> เรามีธุรกิจอย่างหนึ่งฮ <c oughs> ลโหลมีคู่แข่งเขามาเผาหมดเลยสวนของเราเผาหมดแล้วเจ็บมเขาเจ็บสิมันเป็นเรื่องที่เราเลือกไม่มีสิทธิ์เลือกอ เหตุการณ์ทดสอบต่างๆนี่เราไม่วีสิทธิ์เลือกมันเจ็บปวดอยู่ที่ว่าเราจะบริหารความเจ็บปวดนี้ยังไงรูปแบบบริยศา ส, สนานี่ให้เราได้เลือกเลือกที่จะอดทนไม่ตอบโต้อ่านี่นาวีราศรก็เคยทำสิบสามปีนี่ก็ทำมาแล้วเจ็บปวดกันขนาดไหนอดทนอดทนอย่างเดียว อทนถึงขนาดที่สาบะบางคนเนี่ยต้องถูกฆ่าอย่างซุมัเยะและก็ยาซิดพ่อแม่ของอัมมาดบเนยียซิดถูกฆ่าถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมท่านนบีเนี่ยเดินตะวาฟ์กาบาทุกทีเหมือนเขาตั้งใจนะนบีมาละมาดหร ม, มาตะวาฟ์หน้ากาบาเนี่ยเขาก็จะเอาสาบ้าสาวกุกท่านนบีเนี่ยมาทรมานหน้ากาบาเนี่ให้นบีเห็นให้นบีเห็น พี่องลองคิดดูสิคนนี่นะเปลี่ยนศาสนาเขาเนี่ยมาศรัทธาเราเนี่ยมาเชื่อเราเอย่างเงี้ยแต่เราแล้วเขาถูกจับทรมานอย่างเงี้ยแล้วเราช่วยอะไรไม่ได้แต่ บ, บีดูความรู้สึกของท่านน บ, บีน บ, บีเห็นซุมญญายานี่ซุมญญายานีแม่ของอามารบเนยสเนี่ ย, ยอุม า, ยาีย์อัญญบดุาลาบเนีย่ยเอาหอกนี่โยนหอกนี่เนะี่ยไปโดนที่เอาไว้ว่าพศของนาะง เสียชีวิตเอาน่ะบีเห็นอุมาียะนี่กลังธรมานสุมาียะธรามานยาซิร์ธรมานอามารบ์นียาซิรไม่สามารถพูดอะไรนึงก็อิสบิรูอัลยาซิรโอลูกหลานขอบครัวันยาซิรเอ้ยอิสบิรูยงอุทน์เฟอินนมดะกุมลจันนหายนัดของเรารวมพลของเราจุดรวมพลของเราอยู่ที่สวรรค์พูดนพดแค่นี้ อยู่ความรู้สึกของท่านนาบีสิบสามปีแบบนี้เนะี่ยสิบสามปีอ่ะคือจะบอกว่าเฮ้ยคุณอานนี่นะสัง่งให้ค่ะศึกษาให้หมดผมบอกเลยปัญหาปัญหาของโลกนี้เนะี่ยคือคนที่เรียนไม่จบอ่านไม่หมดศึกษาให้หมดดีบริบทของท่านนาบีตั้งแต่เริ่มต้นที่มากานีบยังไงนะบีอดทนมาแล้วสิบสามปีอดทนชนิดที่ไม่มีใครในโลกนี้อดทนได้แล้วอดทนมาแล้ว พอถึงจุดที่กูอานก็่อมาอดทนมันไม่ก่อที่ลู้หมต่อสู้มาแพ่แม่หนี่รุนแรงเห็นไหนี่ก็จะปวด <c oughs> นี่ก็จะบปวคนที่ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่อยากจะเรียนรู้ไม่ไม่ฝักใฝ่ความจริงคนนี้ไม่ฝักใฝความจริงนี่จะผิด <c oughs> น้ำนี่นี่เจะปวดจริงๆหรือจะบริหารความเจ็บปวดนี้ด้วยการต่อสู้ อันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งไม่มีรูปแบบใดๆที่มันตายตัวถึงบอกกับพี่น้องหลายครั้งแล้วก่อนนานี้ว่าอุลาได้บอกว่าถ้าหากว่ารูปแบบในการบริหารความเจ็บปวดด้วยการอดทนซึ่งเราเรียกกันแล้วว่ายุคยุคมักกะยุคอะลอาดุลมักกียุคของมักกะนี่อดทนอย่างเดียว รูปแบบของมักกะนี่คืออดทนอย่างเดียวห้ามต่อสู้ห้ามตอบโต้ถ้าหากว่ารูปแบบนี้เนี่ยมันถูกยกเลิกไปแล้วด้วยคําสั่งที่ให้ต่อสู้ให้ประกาศสงครามยุคของมดีนนะฮะถ้าของมักกะนี่ถูกยกไปแล้ว่ะนะอัลลอฮ์ก็จะไม่ให้อายะเหล่านี้ที่เกี่ยวกับเรื่องอดทนนั่นนะอยู่ในคุตัลอันให้เราได้อ่านยังเกียร์มัดแต่มันมีอยู่ในคุตัลอัน อิสบิร์ส์รันจะมีแหละตอนไหนเนี่ยอิสบิรจงอดทนจะมีแหละยังสวยอดทนยังสวยงามด้วยนะมีอดทนแบบไม่สวยงามมั้มีปะนี่อ๋อทํายังไงเขาทนเหมือนกันนะ่ะแต่แสดงความความโกรธอด ท, ทนแบบโกรธไม่นะฮลโหก็อดทนแบบนี้มันมันมันไม่อดิสบิรอดทนสับรันชนิดสับรันชนิด เจมีลชนิดที่สวยงามแลวละไงอัด้นี่ยฟฟะสฟ حة เจมีมรยาลาอิสลามนะซุดซดซุเละเวลาไอับห้อสฟะอับห้เจมีอสฟ ح มีให้อัย์แบบสวยงามห้อัยแบบสวยงามเราเข้ามักกะพิชิตมักกะแล้วผู้ชนะแม่ทัพเข้าเมืองทุก อารยธรรมทุกสมัยในประวัติศาสตร์แม่ทัพเขาเมืองไงอ่าแบบาจังหวัดแถวอีสานนั่นแกดาบเจอใครนี่ฟันคอฟันแม่ทัพชนะผู้ชนะผู้ยิ่งใหญ่อะใช่ยิ่งท่านนาบีเนี่ยเจอจากพวกนี้เน่เจอเจออะไรสรพัดเลยนะ มีสิิ์เดี๋เข้าด้วยความภูมิใจวะนี่ ว, นวันวันแห่งชัยชนะแล้วนะเป่าเลยพอท่านนาบีเข้ามักกะนี่นะก้มศีรษะนบีนั่งอูดนะแล้วอูดนี่มันก็จะมีที่นั่งสําหรับอูดเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมันก็จะมีเหมือนเหมือนไม้มันไม้ไว้ไว้จับไว้จับข้างหลังก็เหมือนกันหลังอูดนี่มันจะใหญ่นะก็เหมือนเป็นเก้าอี้อะข้างหน้าก็จะมีไม้ข้างหน้าก็จะมี โดงมานิดถนึงเนี่ยนบีเนี่ยก้มศีรษะสอบอกว่าก้มศีรษะถึงถึงเกือบนบีเกือบจะสู้ยูดบนหลังอูดทำไมอ่ะไม่ไม่แสดงตกบฏหรือความยาโซเตงใดแสดงความทอมตนรัวมาหมดซอฮาบะไอชาวกูเรช ที่เคยด่าทอท่านนบีที่เคยสู้รบที่เคยพยายามจะฆ่านบีในสงครามต่างๆที่เคยฆ่าซอฮาบะฮ์สาวกนบีลูกญาติญาติพี่น้องนบีเนี่ยเคยถูกฆ่าโดยน้ำมือนีในยืนต่อหน้าเขาเนี่ยมาชา ก, กุรอชากุรอ伊斯เฮ้ยมาตะจุนูมาจะจุนูนันคิดคิดตัวฉันจะทำอะไรความแค้น กี่ปีนะสิบาปีมันกาแล้วกับแปดปีนั่นนะยี่สิบเอ็ดปีความเจ็บแค่ลุงของท่านของท่านนาบีเนี่ยฮามซาเนี่ยที่ถูกฆ่ายังโหดเที่ยมท่านนาบีเจ็บขนาดไหนมาตาซุนนูนะคิดว่าฉันจะทำอะไรชาวกุเร่ตอบไม่ถูกเลยก็ท่านก็ท่านเป็นพี่น้องของเราคนดีคนหนึ่ง แล้วก็เราเป็นลูกหลานของท่านท่านเป็นเป็นญาติพี่น้องเราคนดีอิสฮาบูฟอันตุมคือไปเลยพวกเจ้าตุลเลาะ์พวกเจ้านิบไปโดยอิสระไม่มีมณฑินไม่มีไม่มีอาชยกรรมไม่มีฆาตกรรมไม่มีบาปใดๆติดตัวพวกเจ้า ที่จะต้องไปติดตามหรือจะต้องลงโทษแต่อย่างใดตุละขอตี่นี่ก็น้น ป, ไ ป, ไปล่อยไปเลยไม่มีไม่มีมุนตินไม่มี ไ, ไม่มีตัวอะไรแ ล, ล้วะฟ้า ฟ, ฟ, ฟ้าพิศสภาลเจมิลให้อภัยนี่ไม่จะให้อภยัยกับมึงกรทํากูเนี่ยกูจะเละเลยอะ่ะก็อว้วยอภัยอะไรแต่มึงทํากูนี่กูยังเจ็บไม่ลืมเลยอะ่ะแต่กูก็ให้อภัยอยู่แล้วอ่ะนะแต่โหเนี่ยกูไม่ลืมในคงชีวิตนะม อันนี้ห้อภัยให้แบบไอ้คนนี่ถูกฆ่าไปนี่กุ้มมึงไม่น่าให้อยเลยพี่เสนออิศรศภัลเจมิลนบีเห็นคนที่ฆ่าลูกหลานสาวกนบีคนรักของท่านที่รักของท่านนบีจริงๆถูกฆ่าด้วยน้ำมือนี่คนยืนต่อหน้าเ้านนินะไปเลยไม่มีมณดินพวกเจ้าไปเลยไม่มีมณดินได้เลย มีอุลมาเขาได้ศึกษาเรื่องด้านด้าด้านจิตวิทยาน่ะคือการที่จะให้อภัยให้อภัยคนทั่วไปในส่วเนี่ยเนี่ที่เขาไปกาดยิงที่หลวงมู่เนี่ยคนเรานี้ไม่มีญาติพี่น้องตายอยู่ที่ลูกหลานเรานี้ไม่ได้ไปตายแต่เรารู้สึกไม่ให้อภัยเลยเราเองเนี้ยไม่ได้มีส่วนอะไรเกี่ยวข้องกับคนที่โดนนะแต่รู้สึก แล้วก็เนี่ยในทีวีไม่น่าให้อภัยเลยใช่ไหมการให้อภัยกับคนที่ทำร้ายคนอื่นเนี่ยมันมันยากนะและยิ่งถ้าคนนั้นน่ะมาทำร้ายเราหรือทำร้ายลูกหลานของเราพี่น้องของเรายิ่งให้อภัยยากไปอีกยากไปอีกคนเดียวนี่ยังยากเลยหมายถึงว่าจะมีคนมาฆ่าลูกเรานี่ยากนั่นนะพี่น้องมุสิเราที่อยู่ในอเมริกาแล้วก็ลูก ท่านเนี่ยถูกถูกฆ่าเนี่ยไอไอไอเดลิเวอรี่เนี่ยมาฆ่าส่งพิซซ่าแล้วมาฆ่าเขาเนี่ยเขาก็ถูกดำเนินคดีนะแต่เขาอยากให้เขาสบายใจว่าเขาเขาให้อภัยสังคมอเมริกาเนี่ยคดตะลึงกันเลยทําทำแค่พูดยังงมันยากฆ่าลูกตัวเองเนี่นมันยากแล้วจะฆ่ามันมนับไม่ถ้วนนะลูกหลานของต้นนบีซาฮาบะของต้นนบี <c oughs> ลูกท่า น, นบีที่ต้องเดอร้อนนะาติญาติพี่น้องท่านนบีที่ต้องเดือดร้อนนะเพราะการการคมเหงของกุเรชเนี่ยทั้งหมดเนี่ย น, นบีลืมไปแลให้อภยัยให้อภยัยมันเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ไม่อยู่ทุกคนนะที่สามารถให้อภัยนะไม่อยู่ทุกคนที่สามารถศนาะ ส, สนาก็ ให้สิทธิให้สิทธิ์ำหรับคนที่ให้อภัยไม่ได้มันจะให้อภัยไม่ได้ศาสนาไม่บังคับต่ให้อภัยดีกว่าไหมดีกว่าแน่นอ น, นในกุรอานซูรเดียว فمن عفا وف من عفا واصلاحا فأجره على الله ผู้ใดที่ให้อภัยและทำดี การตอบแทนของเขาอยู่ที่นะัอัลลอฮฺสุบฮานาะอัลลอฮฺจะจัดการเรื่องการตอบแทนใช่ไถึงว่าไม่มีใครจะตอบแทนนอกจากอัลลอฮฺสุบฮานาะการการให้อภัยเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเป็นการต่อสู้กับนับสูไฟต่ำอารมณ์ของตัวเองเนี่ยซึ่งเป็นเป็นการพยายามที่สาหัสที่สุด สำหรับสำหรับมนุษย์จึงมีผลบุญมหาศาลผลบุญมหาศาลศาสนาส่งเสริมด้วยนะสมมติว่ามีคนมาละเมิดและมาฆ่าชีวิตของคนอื่นถ้าทายาทของคนที่ถูกฆ่าเนี่ยถ้าประสงค์ที่จะให้อภัยเนี่ยตามกฎหมายอิสลามเนี่ยในคดีว่าด้วยฆาตกรรมเนี่ยถ้าจะให้อภัยเนี่ยได้นะให้อภัยอย่างเดียวไม่ต้องเอาสึ่งชด ชดเชยอะไรเลยหรือจะให้อภัยโดยมีสิ่งชดเชยหรือจะให้ลงโทษโดยการประหารชีวิตเนี่ยนี่เลือกได้เลือกได้แต่ส่งเสริมส่งเสริมให้ให้อภยัยให้อภัยเนี่ยผลบุญมห า, าศาลผลลบุญมห า, าศาลก็คงคงจะฝากไว้กับพี่น้องเพียงดังนี้ก่อนนะครั บ, ญญบาอาลัลลอฮฺของเราอะลัยฮิสซาบิยฺอัลามุซซาลัมอะ ล, ลัยคุมุรราะห์มัตุลลอฮฺอัลลอฮฺ ใช่เลยครับ <tiro> ค <ir ken> ือที่จริงเนี่ยฮัลลาดันตีบานี่ในคาอธิบายของอุลามานี่เขาบอกว่ามันเป็นลักษณะเป็นการย้ําฮัลลาดันนี่ก็คือสิ่งที่อนุมัติโดยในยะเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮฺอนุมัติย่อมเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วโดยปริญญาเพราะฉะนั้นในอายะต่างๆเนี่ย ไม่อาจจะส่วนมากนะไม่มีตยีบานนะวิพัลละลุมไยดุลบ่น ب ح เป็นดีอันนู่นเป็นดีฮัลลาลสำหรับพวกเจ้าเจ้าแล้วเนี่ยที่ล่าสัตว์ที่ล่าจากทะเลน้ําทะเลแน่นอนสัตว์ทะเลเนี่ก็ก็ตยีบันนึกตอนนี้เนี่ยถือว่าสัตว์ทะเลนี่ก็คือปลอดภัยที่สุดแล้วมันตยีบันอยู่แล้วไม่มีคําว่าตยีบันตรงนี้นะแต่ ปฏิบัตเนี่ยก็เป็นการย้ําไงย้ำอันนี้